อันนี้ใครมีอะไรอยากจะสมดนา ม, มั้ยวันนี้เลี้ยงเด็กทั้งวัทั้งทั้งโรงเรียนเลยเดอเลี้ยงเป็นวันเกิดหรือเป็นวันอะไรเลยก็ก็ของทุกคนนะอยากจะทำ <c oughs> <c oughs> เรื่องทสวเลียงอาหารกลางวันอาหารกลางวันแล้ <c oughs> ขวขนมขนม โรงเรียนเด็กผู้รู้ยางสอสอโรงเรียนที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นทรงสร้างขึ้นมาให้เด็กผู้ชายให้ชั้นมหนึ่งถึงมสมได้มาศึกษารเรียนโดยไม่เสียสตงังเป็นโรงเรียนกินนอนทางโรงเรียนเป็นผู้ ดูแลทุกอย่างค่าใช้ใจ่ายค่าเราเรียนค่าหนังสือค่าอาหารค่าที่อยู่เด็กไม่ต้องเสียอะไรเลยโรงเรียนก็มีทิศทางไปในทางแนวพุทธคือจะมีสอนวิชาศิลธรรมแล้วมีพระไปไปสอนแล้วก็จะมีวันหยุด ตรงกับวันโกนกับวันพระไม่ได้หยุดตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะวันโกนวันพระจะให้เด็กเข้ามาทำกิจกรรมที่วัดจะได้มีการปลูกฝังจริยธรรมเด็กพูกให้เวลาเจอเจอใครจะรู้จักยกมือไหว ก็สอนเรื่องสัมมาคารวะสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีสอนเรื่องผู้สูงที่สูงที่ต่ำเด็กก็เป็นเด็กไม่ไม่ไม่ใช่เป็นฐานะดีก็เป็นฐานะจะว่ายากจนก็คงไม่ถึงกับยากจนแต่ก็ พอพออยู่ได้สมเด็จพาะสังฆราชท่านสร้างขึ้นมานักเรียนเดี๋ยวนี้ก็ชั้นละสี่สิบสี่ห้าคนสามชั้นก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสามสิบคนก็ใครอยากจะทำบุญ ทำวิทยาทานก็ทำกับโรงเรียนก็ได้วิทยาทานธรรมทานสังฆทานวัตถุทานก็เป็นการทำทานสังฆทานก็ทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าวิทยาทานก็ทำกับโรงเรียนสนับสนุนให้เด็กมีวิชาความรู้ ก็เป็นเรื่องของความเมตตาเรื่องของการแบ่งปันเป็นการสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีที่เป็นพื้นฐานของการเจริญในทางด้านจิตใจจิตใจของเราจะดีจะเจริญจะมีความสุขต้องเกิดจากการมีความเมตตา ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนโ่มโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานหรือแม้แต่เทวดาคือไม่คิดร้ายต่อใครคิดแต่มีแต่ความปรารถนาดีมีไมตรีจิตมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเหมือนกับเรามีความสุข เรามีความสุขอย่างไรก็อยากให้ผู้อื่นเขามีความสุขอย่างเราหรือมากกว่าเราผู้ใดมีความทุกข์ก็ <c oughs> อยากจะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์การมีความเมตตาจะทำให้จิตใจเรามีความสงบมีความสุข <c oughs> ตื่นก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้าย จะไม่ตายด้วยสัตว์ราวุรือยาพิษเพราะไม่มีใครจะโกรธจะเกิดผู้ที่มีความเมตตาเพราะผู้ที่มีความเมตตามีแต่การให้ไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ไปสร้างความเสียหายไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เลยไม่มีศัตรูมีแต่มิตร แล้วถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สุคติจะไม่ได้ไปอบายพาอไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นเองผู้ที่มีความเมตตาเพราะว่าผู้ที่มีความเมตตาก็จะรักษาศีลพราะไม่ชอบทำบาปจะรักษาศีลได้ง่ายจะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดโปรแอนี้พูดปด เสรายาานี่คื อ, อาการใช้ใช้เป็นการพัฒนานจิตใจโดยทำที่พระเจ้าได้ทรงสอนเริ่มที่ความเมตตาเมื่อ ม, มีความเมตตาเราก็จะทำบุญทำทาน เอเฟื่อเผื่ อ, อ, อแผ่สงฆเค้าเพื่อนรวมโลกทําได้กับทุกคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสถานภาพทํากับนักบวชก็ได้ทํากับคารวะผู้ครองเรือนก็ได้ทํากับญาติสนิทมิตรสหายทำกับบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีก็คนทั้งหลายทําได้หมด ทำกับสามีภรรยาบุตรทธิดาทำกับเพื่อนฝูงก็ เ, เป็นคนเหมือนกันเป็นคนทุกคนมีความปรารถนาความสุขเหมือนกันและการได้รับการดูแลช่วยเหลือหรือให้ความเมตตาทุกคนก็จะมีความสุข แล้วก็จะทําให้ผู้ที่มีความเมตตาได้จะมีศีลขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปสมาทานมันจะเป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่มีความเมตตาจะไม่ชอบเปียดเปลี่ยนพูดก็จะมีศีลเมื่อมีศีลจิตใจก็จะสงบมีความนุ่มเย็นเป็นสุขก็จะเห็น ความสำคัญของความนุ่มเย็นเป็นสุขของใจยิ่งกว่าความความสุขที่ได้รับจากการเสพรูกเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีจากการมีความเมตตาจากการทำทานจากการรักษาศีลก็จะอยากจะให้มีความสงบมีความสุขทางจิตใจมากขึ้นก็จะ สนใจในการที่จะมาหาความสงบของใจด้วยการรักษาศีลแป8เพิ่มศีลขึ้นอีกจากห้าข้อไปเป็น8ดข้อแล้วเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมาเจริญสติมาภาวนา มาสร้างอุเบกขาอุเบกขานี่แหละเป็นตัวที่จะให้ความสุขกับใจใจที่มีอุเบกขานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความรักความชังไม่มีความกลัวความหลงเห็นอะไรก็สั์แต่ว่าเห็นรู้อะไรก็สั์แต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังกับสิ่งที่รับรู้รับได้เห็น ใครด่าใครชมก็เฉยๆชมก็ไม่ได้รักด่าก็ไม่ชังใจจะไม่มีอารมณ์กับสัมผัสต่างๆใจจะมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่ายความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่สงบที่เป็นอุเบกขา ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความหลงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ไปหลงคิดว่าเป็นความสุขนั้นเป็นความทุกข์เพราะเวลามีอะไรก็เกิดความผูกพันเกิดความยึดติดเกิดความอยากให้สิ่งที่มีนั้นอยู่กับตนไปนานๆไม่อยากให้จากตนไป ไม่อยากให้เสือ่อมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงแต่มันขัดกับหลักความจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับจะไปรักจะไปชอบอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปห้าม ไม่ให้มันเสือมไม่ให้มันดับได้เวลาเสือมเวลาดับก็เสียใจเวลาที่ไม่เสื่อมไม่ดับก็กังวลกังวลว่าจะดับเมื่อไหร่จะเสื่อมเมื่อไหร่จะจากกันเมื่อไหร่ก็จะเห็นโทษเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆก็จะไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆความทุกข์ก็จะไม่มี ก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรจิตที่มีความสงบนี้สามารถพึ่งตนเองได้หาความสุขในตัวเองได้ไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งต่างๆแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเช่นพึ่ง ร่างกายไว้ใช้สำหรับเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าการพึ่งร่างกายก็เป็นทุกข์เพราะร่างกายก็ไม่ไม่ถาวรไม่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสที่เสพก็ไม่แน่นอนไม่ถาวรดังนั้นถ้ามีความสงบในอูเบคาแล้วก็จะ เห็นโทษของการที่ไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวสมุมาเซมาพึ่งใจพึ่งความสงบดีกว่าที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนถ้ารู้จักสร้างความสงบแล้วก็จะสามารถสร้างความสงบนั้น ให้เกิดขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆถ้าใจตัดความอยากต่างๆได้ <c oughs> พอเห็นโทษของการมีไปมีสิ่งต่างๆว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขพอไม่มีความอยากในใจใจก็จะสงบไปตลอดจะสุขไปตลอดนี่ก็คือ ธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราพัฒนากันเริ่มที่ความเมตตาแล้วก็มาทําบุญทําทานกันมีนความเมตตก็จะชอบทําบุญทําทานพอชอบทําบุญทําทานก็จะชอบรักษาศีลชอบรักษาศีลก็จะชอบภาวนาชอบทําใจให้สงบชอบทําใจให้เป็นอุเบกขา ไม่ปล่อยวางไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะมีอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะดีอะไรจะเสียอะไรจะไม่ดีก็จะไม่มีอารมณ์ไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆแยกใจออกจากสิ่งต่างๆได้ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้โลกนี้เขาก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็น้ำท่วมมีอะไรตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเรามีความสง บ, mm hmm. สงบมีอุเบคาแล้วเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต้องไปทาอะไรกับ โลกนี้ปล่ยให้โลกนี้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราไม่มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ที่ทุ ก, กันทุกวันนี้เขาก็อยากจะไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตนเปลี่ยนเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ทำทำไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดก็ต้องมีดับถ้าไปยึดติดกับสิ่งที่มีการเกิดการดับเวลาดับก็จะเสียอกเสียใจถ้าไม่ยึดติดกับอะไรก็จะไม่เสียอกเสียใจเวลามีการเกิดมีการดับของสิ่งต่าง นี่คือธรรมชาติของจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ไม่ต้องการราบยศสรรเสริญไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกมือกายแต่สิ่งที่จิตใจต้องการก็คือความสงบต้องการอุบเบกขาแล้วก็ต้องการปัญญาที่จะเห็นโทษของความอยากเห็น เห็นโทษของสิ่งที่อยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้อะไรมาแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอได้ร่างกายนี้มาก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายนี้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพลาดจากของต่างๆที่เราได้มาเพราะของต่างๆที่เราได้มาจะต้องมีการพัดพลาดจากกัน มีพ่อมีแม่เดี๋ยวก่าต้องพัดผ้าจากพ่อจากแม่มีสามีมีภรรยาก็ต้องพัดผ้าจากกันมีบุตรมีธิดาก็ต้องพัดผ้าจากกันมีราบยศสรเสริญก็จะต้องพัดผ้าจากกันเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เรามา ยึดติดมาพึ่งพาอาศัยให้ความสุขกับเราแทนที่จะให้ความสุขก็ให้ความทุกข์กับเราทุกคนที่เกิดมานี่ทุกข์กันทั้งนั้นมีพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านั้นที่ท่านไม่ทุกข์เพราะท่านมีปัญญาท่านรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของท่านไม่ทุกข์ ด้วยการเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่ไปยึดไปติดไปพึ่งพาอาศัยเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทำให้เราทุกข์ท่านก็เลยไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่พึ่งอะไรมาให้ความสุขไม่พึ่งราบยศสรรเสริญไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภชพา แต่พึ่งความสงบจงได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงของใจก็คือความสงบนี้เองก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างและรักษาความสงบของใจด้วยการจเจริญสติสตินี้เป็นธรรมที่จะทำให้ใจสงบถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดตรงแต่งได้ อดความอยากได้ชั่วคราวเวลาจิตสงบความอยากก็หายไปแต่พอออกจากความสงบมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญาดูความอยากว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราสบายใจหรือทำให้เราไม่สบายใจเวลาจิตสงบไม่มีความอยากนี่ใจสบายพอเกิดความอยากขึ้นมานี่ บขความสงบนี้จะถูกทำลายไปพออยากได้อะไรขึ้นมาใจก็จะกะังวลกัวลหงดหิดลำคาญใจถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วพอได้สิ่งที่อยากได้มาก็ต้องมาวิตกกังวลมาคอยดูแลรักษาแต่ดูแลยังไงรักษาอย่างไงก็ไม่สามารถที่จะ รักษาได้เพราะว่าไม่ช้ากระเลี้ยเขาก็ต้องจากอราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปคือการเห็นด้วยปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่คิดว่าให้ความสุขกับเรานี่ถ้าดูจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ามันให้ความทุกข์กับเรามากกว่า ทุกตั้งแต่ขนาเริ่มอยากได้พออยากได้นี่ก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้ลนะต้องดิ้นรนพอได้มาก็ตั้งกังวลห่วงใยแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปก็เสียใจ <c oughs> นี่คือการมีปัญญา <c oughs> การเห็นทุกในสิ่งต่างๆเห็นทุก ในความอยากตัวความอยากนี่เป็นตัวเขยักมันจะมาขย่าใจให้ไม่สงบเราเกิดความอยากนี่ใจเริ่มเกิดอาการกระตือรือร้น ม, มีอาการกระสับกระส่ายเวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจ ได้มาก็ต้องมากังวลกับสิ่งที่ได้มาใจก็เลยไม่มีวันสงบได้ถ้าไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขที่พึ่งกันก็เพราะไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเห็นความสุข เ, เล็กๆน้อยๆที่ได้จากการได้สิ่งต่างๆมาเท่านั้นเองแต่มองแบบไม่ดึกมองแบบไม่กว้าง มองแบบผิวเผินเป็นออยากได้อะไรพอได้ดีออกดีใจกันแต่ไม่มองนึกๆเข้าไปว่าขณะที่อยากนี่ใจรู้สึกยังไงกังวลกังวลไหมเวลาอยากได้นี่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้หรือไม่บางทีก็ต้องไปพึ่งคนอื่นไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ใจคอกำลังใจเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะไปอยากได้แล้วสิ่งที่ได้มามันก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจครับเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราะจะทำไม่มีความอยากให้มันอยู่เป็นานๆนอยากไม่ให้จากเราไป นี่คือทมต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้และชาวพุทธเรามาเจริญกันมาสร้างกันถ้ายังไม่มีความเมตตาก็หมั่นเจริญความเมตตามีอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งปันกันมีหลายวิธีแบ่งปันกันเช่นพวกที่ให้เขากู้กงนนี่ก็แบ่งปันได้ แป่ปันปโดยไม่คิดดอกเบีย้ยเขานี่ก็เป็นการให้ทานนะให้ความเมตตานะหรื อ, อ, อไม่ได้ต้นด้วยก็ไม่เป็นไรคิดว่าทำทานไปไม่ใช่ให้กู้แล้วก็คิดดอกแพ ง, แพง แล้วพอเขาไม่มีปัญญาใช้กระยึดที่ดินเข้ามาือเขาเรกว่าเสื้อที่ดินแบบถูกๆให้เขากู้แล้วก็เอาชน o เข้ามาเป็นจำนองไว้ทำสัญญาไว้แล้วดอกแพงๆดอกท็อต้นนี่ไม่กี่เดือนกี่ปีก็ก่อนกู้ก็ไม่มีปัญญาที่จะคืนให้แล้ว พยายามเสียที่ดินไปอันนี้ไม่ใช่ความเมตตาความเมตตาก็คือเขาเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือเราก็ให้เขากู้ไปแต่ขอให้เขามีหลักทรัพย์หลักประกันไว้เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเขาจะคืนเราแต่เราไม่คิดดอกก็ได้อย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเมตตา ไม่เอากำไรกู้ไปเท่าไหร่ก็เอามาเกินมาเท่านั้นก็นแล้วกันถ้าเกินไม่ได้ก็มาประเมินราคาที่ดินของจำนาว่าเท่าไหร่ถ้ามากกว่าเงินที่กู้มาก็ให้เขาไปให้เขาเพิ่มไปอย่างนี้ถึงเรียกว่าเมตตาไม่ใช่คิดดอกแพ ง, แพง พอเข า, าไม่สามารถจ่ายได้ไม่กี่เดือนดอกมันกระทบต้นนะั่นแหละบางทีเงินกู้ราคามากกว่าที่ดินเขาก็เลยยึดที่ดินไปได้พราการใช้ดอกเบี้ยแบบโหดธนาคารเขาให้ปีละครึ่งครึ่งส ค, ครึ่งบาทท่า 0.5 เดี๋ยวนี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่าบางแห่งก็ไม่ให้ไม่มีดอกไม่ซ้ำไป อต่เนี่คิดดอกปีอะไรยี่สิบสี่เดือนละสองถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความเมตตาตายไปก็เอาไปไม่ได้เงินทองที่เราเอ า, เอามาตายไปก็ไปเป็นเปรตเพราะความโลภอยากได้เงินทองมากๆ อยากมีมากๆาพอถึงเวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้บุญก็ไม่ทําพวกที่โลภมา ก, มากอยากรวยอยากมีเงินมากมานี่ไม่ชอบทําบุญทําบุญมันก็จะไม่มีเงินเนหะก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปออกไปก็เลยไปแบบขอทานขอทานทางจิตวิญญาณเราก็เรียกว่าเปรต ขยับหน่อยได้ไหมอย่านั่งขวางทางได้ไหมเปิดช่องทางให้มน<อ>เขาออกได้แล้วเข้ามาข้างในก็ได้นะจะเข้ า, าที่นี่ไม่มีเสือหรอกไม่มีใครกัดเข้ามาข้างในได้มาจากที่ไหนกันฮนะ อย่างกุงเทพเคยมาหราือเปล่าเคยมะมีธุรอะไรหรือเปล่าไม่ะค่ะระเ้าถ้าใครไม่เคยได้หนังสือซีดีก็เอาไปได้นะเวลาจะกลับก็หยิบไปก็ได้เวลานี้ก็กำลังคุยเรื่องธรรมะอยู่ใครมีอะไรอยากจะรู้อยากจะถามก็ถามได้ มีคำถามไห ม, อ, มอาจาคะสำหรับผู้ที่ร่วงรับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเข้าของอะไรไปถวายเนี้ยถือว่าทำถูกไหมคะหรือว่าใช้ทำบุญแบบไหนก็<า>ทำทานแล้วก็อุทิศบุญไปบุญที่ได้จากการให้ทานานี่อยู่ที่ผู้รับว่าเขารอรับหรือไมอ<า>่เขามีสถานะภาพอย่างไรถ้าเขาขาดแคลนเขาก็จะรอรับอยู่ ถ้าเขามาขั่งข้างเขามีบุญเด็ดตัวไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญที่เราทิ้งไปทำเนียมเขามักจะดูทําตอนที่มีเวลาเรานอนหลับฝันทังคนที่จากไป mm hmm. อันนี้เราก็คิดว่าเขาคงจะมาเข้าฝันมาบอกว่าเขาเดือดร้อนนะ mm hmm. ก็ต้องดูว่าเขาฝันอย่างไร เขามาบอกว่าเขาสบายเขาไปเป็นเทวดามีความสุกนี้เขาจะมาบอกว่าเราไม่ไมต้องไปห่วงเขาเขาสบายแล้วให้พวกเราอยู่กันมีความสุขกันไปไม่ต้องมากังวลกับเขาเถ้าอยากจะไปเป็นเหมือนเขาก็ให้ทำบุญมากๆเหมือนกับเขาเพราะบุญนี้จะทำให้ดวงวิญ ญ, ญาณไปเป็นเทวดา ถ้าไม่มีบุญทำแต่บาปก็จะทำให้ดวงวิญญาณไปเป็นเปรตหรือถ้าทำบาปหนักก็ไปนรกให้เชื่อบุญเชื่อบาปให้เชื่อการเวินว่ายตายเกิดว่าเราไม่ได้จบที่ตรงที่ความตายของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาครอบครองร่างกาย เป็นผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแต่ความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วที่มีชีวิตอยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจคือบุญเราก็จะไปแบบไม่มีความสุขแต่ถ้าเรา ทำบุญเราก็จะมีความสุขทางใจและเวลาไม่มีร่างกายเราก็ยังมีความสุขได้กันอย่าหาความสุขให้ผ่านทางร่างกายเพียงอย่างเดียวให้หาความสุขทางใจด้วยความสุขทางใจก็เกิดจากวิถีวิธีการวิธีทําทานมีเงินทองมีข้าวของอะไรก็ แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราก็จะได้รับความสุขอีกวิธีก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการรักษาศีลไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาอันนี้ก็จะทําให้ใจเรามีความสุขทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทาบาป องผู้ที่ไม่รักษาศีแล้วถ้าเราภาวนาได้เราก็จะมีความสุขมุ่เพิ่มมากขึ้นเป็นความสุขระดับพรหมความสุขระดับเทพนด้เกิดจากการทําทานรักษาศีลความสุขระดับพรหมนี่เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบ แต่ความสุขเหล่านี้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาลงมาอยู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วจากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ขึ้นๆลงๆ ถ้าไม่อยากจะขึ้นขึ้นลงๆอยากจะขึ้นไปแล้วไม่ลงก็ต้องสร้างบุญระดับสุดท้ายคือปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอันนี้พวกเราเห็นราบยศสรรเส ร, ริญว่าเป็นสุขกันอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเส ร, ริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นนดต่างๆมาเสรมันเป็น ความทุกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ทำให้ใจสงบแต่กลับทำให้ใจนี่วิตกกังวลเพราะเวลาได้อะไรมาแล้วก็จะรักจะห่วงจะไม่อยากให้จากเราไปแต่ของทุกอย่างที่เราได้มานี่มันจะต้องจากเราไปเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาของต่างๆมันก็ต้องจากเราไปพอร่างกายตายไป ความสุขต่างๆที่เราได้มาก็จะหมดไปเราก็จะเสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่มีเพราะว่าไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้นี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากการใช้ร่างกายหาความสุข อันนี้ร่างกายแข็งแรงสามารถหาความสุขต่างๆได้หาภาพยุดสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพได้แต่ต่อไปร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะตายตอนนั้นก็จะไม่สามารถหาความสุขจากผ่านทางร่างกายได้ขณะที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทุกข์ด้วยความกังวลด้วยความห่วงใย หวัว่าจะตายจะจะเจ็บเมื่อไม่มีความสุขถ้าเราไปหาความสุขทางร่างกายนี่คือปัญญาเห็นว่าการหาความสุขทางร่างกายนี่เป็นทุกข์ก็เลิกหาเสียเลิกหาราบยศสรเสริญเลิหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ อันนี้เป็นความสุขแท้ไหววางไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นใจก็จะสงบไปตลอดสิ่งที่มาทำลายความสงบของใจก็คือความอยากพออยากแล้วใจก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำตามความอยาก จนกว่าจะได้ก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากใหม่ก็จะพผ่ขึ้นมาก็จะมีความอยากเข้าคิวมาตอนต้นก็อยากดูอยากฟังดูเสร็จก็อยากกินอยากดื่มกินดื่มเสร็จก็อยากนอนนอนคนเดียวก็นอนไม่ได้นอนคนเดียวก็หนาต้องมีหมอนข้างนอนด้วย ถ้าไม่มีก็ว้าวเวนอนไม่หลับเนี่ยมันมีความอยากตลอดเวลาพอไม่ได้ตางใจอยากก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความเสียใจไม่มีความผิดหวังอยู่ชนเดียวคนเดียวสบายไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรรับประทานก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีเพื่อนร่วม น, น, นอนด้วยก็ไม่ไมเดือดร้อนอยู่คนเดียลด้สบายแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนใจนี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายใจของพระเจ้าตอนนี้ใจของพระอาหารหันตสาวกตอนนี้ท่านไม่มีร่างกายแล้วท่านอยู่อย่างบารมังสุขขังใจของท่านตอนนี้เต็มด้วยความสุขเพราะไม่มีตัณหาความอยาก ที่มาก่อกวนใจมาทาลายความสุขที่เกิดจากความสงบใจสงบเพราะไม่มีความอยากใจไม่สงบเพราะความอยากในใจของพวกเราไม่เคยมีความสงบเลยเพราะความอยากนี้มันมามันมาตลอดเวลาสงบก็เดียวเดียวอยากได้อะไรพอได้มา ก, ก็สงบลงไปพักหนึ่งแลเดี๋ยวก็ตัวใหม่ก็โผขึ้นมา อยากได้กระเป๋าพอไม่ได้ก็วุ่นวายคิดอยู่ถึงเรื่องกระเป๋านั่นะจนกว่าจะได้พอได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวก็ไปอยากได้รองเท้าได้รองเท้าเดี๋ยวก็อยากจะได้เสื้อผ้าได้เสื้อผ้าเดี๋ยวก็อยากจะได้แหวนได้ระไร้อยแปดความอยากมาเตือนนะ คนโทรมานี่ก็มีความอยากอยากจะคุยด้วยเดีนจะเลิกเ้เราต้องมากำจัดความอยากถ้ากำจัดได้เราก็จะไม่เสื่อมเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดตั้งแต่พระโสดาบันีน้ท่านตัดเริ่มตัดความอยากได้ที่นั้นเล็กที่น้อย โสดาบันก็ตัดความอยากเกี่ยวกับร่างกายได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ตัดได้ปล่อยให้ร่างกายแก่ได้ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไขยได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนขั้นต่อไปก็ตัดความอยากมีเพื่อนร่วมหลับนอน นอนคนเดียวสบายกว่ามีความสุขมากกว่าเพราะเพื่อนร่วมหลับนอนนี่เขาไม่แน่นอนบางทีเขาก็อยู่บางทีเขาก็ไม่อยู่เวลาอยู่ก็มีความสุขเวลาเขาไม่อยู่ก็มีความทุกข์ถ้าไม่ร่วมหลับนอนกับใครอยู่กับความสงบก็สุขไปเรื่อยๆสบายกว่าแล้วขั้นสุดท้ายก็ไปตัดความสุข ที่มีอยู่ภายในใจน่ะความสุขที่มีอยู่ภายในใจก็ยังเป็นความสุขที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ที่ยังเจริญยังเสื่อมได้อยู่ก็ไม่ไปยึดไปติดกับความสุขภายในใจเมื่อไม่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะว่างใจก็จะมีความสุขแบบว่างๆความสุขที่แท้จริงก็คือความว่างนี้ การไม่มีอะไรเลยไม่ต้องพึ่งอะไรอันนี้ก็เป็นการทําให้ใจนี่สามารถไม่ต้องอยู่กับอะไรอยู่กับความว่างได้อันนี้ก็เราอยู่กับความว่างไม่ได้ไม่เคยอยู่กับความว่างเลยแม้แต่อยู่คนเดียวก็ต้องหาอะไรมาเป็นเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวก็เปิดมือถือดูนั่นฟังนี่ ต้องหาไมาเป็นเพื่อนยู่ถึงแม้อยู่คนเดียวก็ต้องหารูปเสียงกิ่นรสมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็เปิดตู้เย็นเดี๋ยวก็เปิดทีวีเปิดอะไรต่างๆมาเป็นเพื่อนไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยอยู่กับความว่างเลยเพราะไม่ดูว่าความว่างเนี่ยดีที่สุด เพาสิ่งที่เราไปยึดไปติดนี่มันเหมือนยาเสพติดเวลามันไม่มีจะทำยังไงเกิดไม่มีตู้เย็นเกิดไม่มีทีวีให้ดูเกิดไม่มีมือถือให้เปิดเนี่ยมันก็เครียดนะอันนี้เกิดมือถือเสียนี่ก็รีบเปลี่ยนนะเหมือนงมหายใจขาดไม่ได้ถ้าเสียตอนนี้เดี๋ยวต้องไปที่ร้านนะ บางคนก็มีสำนองไว้เผื่อไว้ยิ่งกับลมหายใจใชเดียว <c oughs> ถ้าเราพึ่งอะไรแล้วมันก็จะต้องมีปัญหาเพราะสิ่งที่เราพึ่งนี่มันพึ่งไม่ได้มันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรเวลามันเป็นอะไรไปเราเดือดร้อนแต่ถ้าเราพึ่งความว่างได้สบาย คือไม่พึ่งอะไรก็ อ, อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรอยู่ได้แล้วสบายอยู่ได้แต่เราต้องหยุดความอยากเท่านั้นความอยากมันทาให้เราอยู่กับความว่างไม่ได้พออยู่คนเดียวก็เหงานะว้าเวต้องโทรหาเพื่อนนะ่ะชวนกันไปพบกันไปทํากิจกรรมอะไรกันไปเที่ยวไปทานู่นทานี่ ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่หายไม่หายเหงาเดี๋ยวพอมาอยู่คนเดียวก็เหงาอีกแล้ววิธีที่จะทำให้หายเหงาก็หัดอยู่กับมันหัดอยู่กับความสงบวิธีจะหายเหงาก็ต้องฝืนความอยากอยากที่จะหาอะไรมาแก้เหงาถ้า <c oughs> เราไม่มีเราไม่ไปหาอะไรมาแก้เหงาเราอยู่กับตามอยู่อยู่กับตัวเราตามลาพังได้เราก็สบาย นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรเพราะมีอะไรแล้วมันจะต้องทําให้เราติดต้องมีอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเมื่อไหร่ก็ทุกข์เหมือนเดิมแล้วก็จะไม่มีวันจบเนี่ยตายไปก็กลับมาหาหาใหม่เลยต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ําแล้วซ้ำํำอีกอยู่เรื่อยๆ เกิดมาแล้วมีใครอยากแก่บ้างมีใครอยากเจ็บบ้างมีใครอยากตายบ้างแต่ไม่มีใครหนีพ้นถ้าเรามาเกิดแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมาตายแต่ถ้าเราอยู่กับความว่างได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องเกิดมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนิบพานาังบาลังสุนญอย่างนิพพานก็คือความว่าง ใจที่ว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างใจไม่ต้องมีอะไรใจอยู่กับความว่างได้ใจก็จะเป็นปรมังสุขขั้นเป็นบรมณ์รสนขึ้นมาเพราะจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกได้ตอนนี้สิ่งที่มาทำให้ใจเราทุกข์ก็คือสิ่งที่เราไปคิดว่ามาให้เราความสุขกับเราเนี่ยลยเวลาได้เขามาก็สุขดี แต่เวลาเขาหายไปจากไปก็เสียใจเวลาเขาอยู่ก็กังวลว่าเขาจะจากเมื่อไหร่เขาจะไปเมื่อไหร่นี่คือความทุกข์ที่พวกเราไปหากันเราไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่การไม่มีอะไรเรากลับถูกความหลงหลอกให้คิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นเลยแล้วเราได้พวกนี้มาแล้วเป็นไงสุขไหย ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมได้เกินกว่าที่จะใช้ได้ก็ยังไม่พอกลัวจะหมดนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าความสุขที่ที่ราบยศเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ร่างกาย ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่างหากพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็ตัดไปหมดราภยศสารเสริลดูเสียงกินลดในแต่ร่างกายท่านก็ตัดทิ้งไม่หมดเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่อยู่กับเราไปตลอดใครเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะ ไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะได้อะไรไม่ต้องการอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างดีที่สุดเรื่อความสุขของเรานี้ง่ายจะตายไม่ต้องไปดิ้นหาอะไรเลยเพียงแต่สลับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ทิ้งไปให้หมดเท่านั้นเองง่ายกว่าการไปหาเงินหาทองหาชื่อหาเสียง หากันแทบเป็นแทบตายก็เป็นยังไงอิ่มไม่พอไหยสุกไปตลอดไหมสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็เกิดความอยากหาใหม่ขึ้นมาเนี่คือธรรมชาติของความอยากถ้าถ้าทําตามความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่ทําตามความอยากมันก็จะโหดหายไปไม่เชื่อลองทดลองดู ถ้าเราอยากกินกาแฟเราอยากไปกินมันไม่กินมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวความอยากกินมันก็หายไปเอ ง, อง ม, มันมาเราก็อย่าไปกินมนยไปได้สามเดือนกี่เดือนก็ย่าไปเกีย่ยปกินมันกินกินไปก็แสดงว่ายัางอยากอยปัญหาคือมันเล่นเอมนี่อย่ า, ยาไปตามใจมันเสี ถ้าเราตามใจมันแล้วก็แพ้มันนะถ้าเราอยากจะชนะมันเรา ก, เราก็เราก็เราไม่ทำมาได้ตั้งสามเดือนทำไมอีกครั้งหนึ่งเย็นทำไม่ได้ทำแล้วสบายกว่าไม่ไม่ไมดื่มแล้วสบายกว่าไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปต้มน้ำ นี่คือเรื่องของใจของพวกเราแต่อยากจะมีความสุขเราต้องตัดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดเราอยู่กับความว่างแต่ก่อนจะมาถึงขั้นที่ได้ต้องพัฒนาใจพัฒนาธรรมขึ้นมาก่อนพัฒนาทานพัฒนาศีลพัฒนาสติสมาธิขึ้นมาถึงจะมีกําลังที่จะสามารถที่จะ สลัดความอยากต่างๆออกไปจากใจได้ถ้าไม่งั้นก็ทำได้แบบชั่วคราวอย่างี้เพราะกำลังเรายัางมีไม่พอต้องสร้างกำลังด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลเพราะการทำทานก็เป็นการสลัดความอยากไปส่วนหนึ่งรักษาศีลก็สลัดไปอีกส่วนหนึ่งเจริญสติก็สกัดความอยากไม่คิดพอไม่คิดความอยากก็ทำงานไม่ได้ แล้วพอใจสงบก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีกำลังที่จะฝืนความอยากได้ตลอดเวลาต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ต้องไปถึงจุดที่ใจสงบใจเป็นอุเบกขาใจเป็นสมาธิพอถึงจุดนั้นแล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากได้เพราะใจไม่หิวแล้วใจมีความสงบแล้วมันอิ่มแล้วแต่ถ้ายังไม่มีความสงบนีทนไม่ไหวแล้ว อาจจะทนได้สามเดือนสี่เดือนเดี๋ยวพอหมดกําลังเมื่อไหร่ก็ซัดมันใหม่ที่หนักกว่าเก่าอีกต้องพยายามสร้างกําลังให้กับใจเป็นขั้นไปทําทานให้ได้ก่อนทาทานได้รักษาศีลให้ได้ศีนห้าได้แล้วก็ต้องศิลแปดศีแปดแล้วก็ไปเปีกวิเวก ไปอยู่คนเดียวหัดไปอยู่กับความว่างอยู่คนเดียวพอใจเองนะทีนี้ก็จะตัดได้อย่างแท้จริงตัดได้อย่างท้าววนทุกครั้งที่อยากก็เห็นว่าความอยากนี่มันเป็นเหมือนกับข้าศึกศัตมันจะมาคอยยั่งมีจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆมันเกิดมาเมื่อไหร่เราต้องฆ่ า, าเมื่อ น, นั้นอย่าไปทาตามความอยาก แล้วมันก็จะตายไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยเราก็จะทำลายมันได้อย่างถาวรถ้าเรายังคิดว่ามันยังดีอยู่นะอยงัมันก็ยังจะอยากต่อไปต้องเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจทำลายจิตใจทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่มีความสุขีใครอยากจะถามอะไรไหม เราไม่มีใจใพร่อก่อนแล้ว น, นะก็อาจารย์ได้จรค่ะที่หลอกๆหล พ, พยายามที่จะพัฒนาสติเองการมีกรรมฐานอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราทำแล้วเราสึกอึกอัดอย่างจะเป็นคุทโธพุทโธเพื่อว่าไม่ให้จิเลสนอบนอกไปไปคิดปุ้งแต่งอะไรเลยว่าพยายามจะดึงกลับมาเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วก็พยายามบอกบอก บอกสอนว่าเออเนี่ยเราแยกออกไปแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้บ่อยๆนะคะเราควรจะใช้อะไรมามาเป็นเครื่องให้สติกับเราที่เราจะทําให้ต่อเนื่องมากก็เราคอยเราคอยเฝ้าดูการทํางานของร่างกายก็ได้เวลาร่างกายทําอะไรก็เฝ้าดูไปกําลังทําอะไรให้มีใจจดจ่ออยู่กับการทํางานของร่างกาย มันก็เหมือนกับการใช้พุโทโธแทนแทนกันได้ถ้าเราเหนื่อยบริกรรมพุโทโธเรารู้สึกเหนื่อยเราก็มาดูการกระทาของร่างกายการกำลังเดินก็ให้ดูกำลังกลังเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปกำลังกินก็ให้ดูกำลังเรื่องของการกินกำลังตักข้าวใส่ปากเคี้ยวกกืนตักข้าวใส่ปากเี้ยวเกินก็ให้ดูไป ทำอะไรร่างกายทําอะไรก็ให้เฝ้าดูเหมือนเราดูนักกีฬาอย่างนี้นักกีฬาครั้ากำลังทำอะไรเราก็ดูเวลาเขานักกีฬาเขาแข่งขันกันแล้วก็ดูการทํางานของนักกีฬาเราก็ดูร่างกายเราถ้าเราเหนื่อยถ้าเราไม่อยากจะพุโทโธรู้สึกว่าเหนื่นอยดัดเราก็ใช้การดูดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทในทุกการเคลื่อนไหว เป้าหมายก็คืออย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายว่าเอ้ร่างกายเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะออกำลังตักข้าวกำลังเคี้ยวกำลังกืนออกำลังอาบน้ำกำลังฟอกสบู่กำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังแปรงฟันให้มนให้ฝ้าดูให้คิดอยู่กับการทำงานของร่างกายแทนพุโทโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติ ได้เหมือนกันมีหลายวิธีที่ใช้พุโทโธเพราะรู้สึกว่ามันง่ายมันไม่ต้องอธิบายมากไม่ท่องพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวเราสลับทํากันได้ถ้าเราเบื่อดูร่างกายเราจะมากลับมาที่พุโทโธก็ได้ถ้าใจมันไม่ยอมอยู่กับการดูร่างกายมันเริ่มไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลองใช้พุโทโธเดินกลับมาใหม่ก็ได้มีหลายอย่างมีสี่สิบวิธี เราจะพามันท่องเที่ยวดูร่างกายของเราก็ได้เรามีร่างกายนี้มาตั้งแต่เกิดเราเคยเห็นอาการสารสิบสองของเราบ้างหรือเปล่าเห็นแค่ห้าอาการใช่ไหมเห็นแท่ผมขนเล็บหนังเท่านี้ผมขนเล็บหนังฟันผมฝุนเล็บฟันหนังแต่ไม่เห็นเนื้อใช่ไหมไม่เห็นเอ็นไม่เห็นกระดูกไม่เห็นม้าไม่เห็นตับไม่เห็นไตไม่เห็นหัวใจ ไม่เห็นลำไส้ไม่เห็นสมองไม่เห็นน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสเลดน้ำอะไรต่างๆไม่มีอยู่ในร่างกายรวมกันก็มีสาสิบสองอาการ<ม>ก็มาดูอาการสาสิบสองของร่างกายไปแทนก็ได้ถ้าใจอยากจะคิดเรื่องนู้นตรงนี้ก็าามาคิดเกี่ยวกับอาการสาสิบสองไปใหเอ้น้ร่างกายเรามีอะไรบ้างเนาะ มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็น ม, มีกระดูกลองไปเปิดหนังสือดูอาการ32แล้วลองท่องไว้ท่องไว้แล้วเวลาใจมันคิดเรื่องที่เราไม่อยากให้มันคิดเราก็มาให้มันคิดถึงอาการ32ไปเราก็จะได้สติกลับมาถ้าคิดเรื่องอื่นมันจะลอยมันจะไปมันจะฟุง้ง แต่ถ้าคิดเรื่องเหล่านี้มันไม่ฟุง้งแต่คิดเรื่องอาการ32นี้มันจะนิ่งมันจะไม่ลอยไปไหนอาการ32ก็ได้หรือจะศึกษาซากศพ10ขั้นตอนของซากศพก็ได้ตายหนึ่งวันเป็นยังไงตายสามวันเป็นยังไงตายเจ็ดวันเป็นยังไงทำไมก่อนเก้าศพไปทิ้งในป่าชา้าก็ไม่เผาให้พระที่อยากจะดู อนาคตของร่างกายว่าจะเป็นยังไงก็ไปเยี่ยมป่าช้ากันเนี่ยร่างกายของเราทุกคนเนี้ต้องตอบไปก็ต้องไปป่าชา้าแต่สมัยนี้เขาไม่ใช้ป่าชา้าเขาใช้เมนกันเมนก็ไปนอนในตู้เย็นอย่างนี้นอนในห้องแอร์เรพอถึงเวลาเขาก็จับเข้าเตาเผาเผาเสร็จตอนเช้าก็ไปเก็บเก็บกระดูเก็บขี้เถ้า คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ถ้าจะคิดแล้วใจมันจะไม่ลอยใจมันจะนิ่งใจมันจะมีสติเดี๋ยไปดูอ่านกรรมฐานสี่สิบมีกรรมฐานอยู่สี่สิบชนิดเลยเดี๋ยวนี้หาง่ายเข้าไปในก o เข้าเข็นกรรมฐานสี่สิบมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วดูรูปภาพก็ได้มันก็จะมีรูปภาพให้ดูครับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่จะเจริญสติที่จิตของคนบางคนมันจิตบางคนมันอ่อนจิตบางคนมันเข้มแข็งถ้าอ่อนเห็นพวกนี้แล้วจะเป็นลมดูไม่ได้เห็นคิดถึงความตายแล้วหมดกำลังใจหดหูการใช้ายางไงยังใช้ไม่ได้จิตอ่อพวกจิตอ่อนๆนี่ต้องใช้พุทโธนี่ไงเนื้อใช้สวดมนุ์ก็ได้ บทเอตโสไปร้อยจบนี้อันนี้ก็เป็นการสร้างสติเหมือนกันนี่คือวิธีการต่างๆที่เราจะใช้ในการสร้างสติเพื่อให้ใจไม่ลอยไปกับกระแสของความคิดแล้วเมื่อใจเราไม่ลอยไปใจมันก็จะนิ่งจะเฉยกับสิ่งต่างๆได้ เราก็จะมีความสงบมีความสุขพอมีความสุขแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เพราะความสุขนี้มันความสงบนี่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการได้ทำตามความอยากในความสงบเราจะไม่อยากดื่มกาแฟดื่มกาแฟสู้ความสงบไม่ได้รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง เรายังไม่มีรถแถง่งธรรมเราก็ต้องเอารถทั้งปวงไว้ก่อนเอารถกาแฟเอารถน้ำชาเอารถเครื่องดื่มต่างๆนั้นพยายามสร้างรถแถง่งธรรมขึ้นมาให้ได้ถ้ามีรถแถง่งธรรมแล้วก็จะเลิกหารถต่างๆได้ัการจะได้รถแถง่งธรรมต้องมีความยินดีในธรรมเพราะความยินดี ความยินดีในทางชนะความยินดีทั้งปวงอยาไปยินดีกับลูกเสียงกีดนั่นให้ยินดีกับสร้างธรรมะให้ยินดีกับการสร้างสติยินดีกับการสร้างเสียงยินดีกับการสร้างฐานอย่วันนี้เรายินดีกับการมาทําบุญทำทานยินดีกับไปที่ศูนย์การค้าหรือไปโรงภาพยนตร์ เลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ, างๆอันนี้มีโผลขึ้นมายังก็ดอกเข็ดมีสวนน้ำสวนอะไรเต็มไปหมดมีของหลอกล่อจิตใจสวนนงนุษเนี่ยก็มีดอกมุ้งดอกไม้มีอะไรให้ดูการยินดีกั บ, กบสิ่งเหล่านี้ซู้ยินดีกับการมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาไม่ได้เพราะผลที่จะได้รับมันต่างกัน การมาทำทานรักษาศีลภาวนาก็จะได้ทําได้ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงถ้าไปหาลถทางรูปเสียงกิ่นลดมันก็มันก็มันก็ไม่พอมันก็หิวอยู่เรื่อยอยากอยู่เรื่อยลถแห่งธรรมนี่มันทําให้เราพอทําให้เราไม่อยากได้อะไรไม่ต้องมีอะไรแต่ลถอ ย, อย่างอื่นนี่จะทําให้เราติด อ, อกติดใจเห็นเราก็อยากจะเห็นอีก ได้ยินเราก็อยากได้ยินอีกได้ยินได้ฟังเท่าไร่ก็ไม่พอหรือถ้าฟังมากๆไปก็เบื่อต้องเปลี่ยนเสียงใหม่เสียงนี้พอแล้วเบื่อแนละ้วเพลงนี้ฟังมาร้อยครั้งเบื่อแนะฟังเพลงใหม่ต่ อ, อก็เปลี่ยนไปได้ด้วยเท่าไหรก็ไม่พออยู่ดีแล้วพอไม่ได้ฟังก็ทุกเวลาหูหนวกเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยฟังไม่ได้ ยัมาหาลดแห่งธรรมดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะป่วยจะเจ็บก็ยังใช้ยังหาลดแห่งธรรมได้ยังทำใจให้สงบได้ทำใจให้มีความสุขได้กนะใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้พรก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงสองหนีอนนี้ถายทอดสดผ่านทาง facebook l i ์ e อเดี๋ยวทางบ้านเขาก็ส่งคำถามก็มา ก็จะตอบปัญหาทางบ้านต่อขอายหนังการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเป็นไงวันนี้มาทำธทุระและอะไรเนียครับเราวหยับมาถอดผ้าจานด้วยถอดแล้สบายดีสบายดีน้องก็สบายดีครับนอนยังทํางานของเขาอยู่อใช่ครับ เราทำให้ที่บ้านเอามาช่วยที่บ้านก็เลยไม่ถึงผมไงไอ้น้องสาวก็มีงานของเขาด้ายครับปัญสบายนี้ก็ตามไว้ครับตามไว้ก็ต้องเริ่มเพิ่งไหวแล้วนะต้องมาเพิ่งใจเพิ่งธรรมะกันดีกว่ามาภาวนากันทาใจให้สงบ ตามที่ยาไซนียนะครับอันนี้าจะกลับเร็วนิดหนึ่ได้ครับเไม่ได้ฟังครับไม่เวลาเดี๋ยวฟังได้เลยมือถือ<บ>กำลังถ่ายท <ลา S 1> อดสดอยู่ท่านบอกเป็นระสดาวด้่อวันยอย่างบว่าไม่ขัดกับระสดาวแบบมันยังไม่เห็นตายรากจริงเนะะ ทางตายแล้วมันจะไป่อยากได้อะไรไม่มีรรว่ามันเป็นคาแล้วเาบอกว่าแคนก็จะชั้วที่มีเนจิตเป็นามกันก็แล้วแต่เขาละเขาจะยังไงก็เรื่องของเขาชีวิตของเขาัวเยอมาเลยแล้วแต่ยัง ไ, ไงจะไปปฏิบัติที่ไหนภาษานี่เดี๋ยวอเดน ไปเขาใหญ่ฮะไปไปที่เขาใหญ่แล้วนหกคนค่อนข้างเยอะค่ะไม่ค่อยสงบพวกภาษาคนเยอะมากค่ะมีคนเดินภาษาภเยอะที่เดินคนกลุ่มก็ต้องแยบกไปหาวันเงียบๆอยู่ดีกว่าไปหาวันเงียบๆอยู่ดีกว่าทั่เงียบมากเลย ้้านออมใหามามอลองถามปัญหาทางบ้านมาก็ได้อยู่เฉยแจ่ได้ไม่เสียเวลาต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook l ลฟ e like นะคะตะคุลิศิตค่ะผมภาวนาะดูจิตรู้กายรู้ใจมาประมาณเจ็ดปีแล้ว เวลาที่เหนื่อยดูจิตไม่ไหวก็จะพักอยู่กับพุทโธหรือดูกายหายใจผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับไม่ทวงหรอกถ้าดูมันตั้งเจ็ดปียังต้องดูอยู่ก็แสดงว่าดูผิดที่การดูจิตดูใจนี่ให้ดูกิเลสดูตัณหาเราก็หาวิธีกาจัดมันหยุดมันไม่ใช่ดูเฉยๆดูเจ็ดปีมันก็เหมือนเดิมถ้าดูเฉยๆ เป้าหมายของการดูจิตดูใจก็เพื่อดูกิเลสว่ามันมาสร้างความปานปวดให้กับจิตใจของเราเราต้องหาวิธีกําจัดมันให้ได้เพราะเวลาไม่มีกิเลส ใ, ใจสงบเย็นสบายพอใจมีกิเลสปั๊บนี่ใจวุ่นวายขึ้นมาทันทีฉะนั้นการดูจิตดูใจนี่มันต้องดูเพื่อกําจัดกิเลสดูเพื่อทําใจให้สงบดูเพื่อทำใใ เ, พอเพื่อทำใจให้ไม่มีความอยาก ถ้าดูแล้วยังไม่กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามต่อไปจากคุณอภิรดีค่ะก็หนึ่งการที่เราไม่สนใจหรือใส่ใจเรื่องราวหรือการกระทำของผู้อื่นที่ไม่เป็นประโยชน์กับใจเราเป็นการฝึกใจที่ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นการปล่อยวางเรื่องของคนอื่นนะ เราไม่ควรที่จะเอามาแบบมาทำให้ใจเราปั่นป่วนทำให้ใจเราไม่สงบควรจะปล่อยวางแต่ไม่เลยหมายคาปล่อยทุกอย่างถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ก็ต้องทำไปข้อที่สองค่ะการที่เราเป็นครูมีหน้าที่สอนนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเราสอนแล้วแต่พฤติกรรมนะของนักเรียนยังไม่เปลี่ยนแปลงเราควรวางใจอย่างไรคะก็เป็นเรื่องของนักเรียนหน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกส่วนผู้เรียนเขาจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเราไปบังคับขอไม่ได้คำ ถ, ถามจากคุณปา นั่งสมาธิแล้วเป็นเหน็บทําให้ทำไงคะนั่งได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสักทีคะ่ะก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับการภาวนาไปต่อถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมหายใจก็ดูไปเรื่อยๆต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่งก็หัดเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธก็ได้ อยู่กับการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้ามีสติมีกําลังมากมันก็จะนั่งได้นานจะสงบได้นานถ้ามีสติน้อยมันก็จะมีกําลังน้อยสงบได้ไม่นานคําถามจากคุณพอพัน์วิธีการหาความสุขจากการทํางานมันทําให้เราฟุง้ง แล้วเกิดความรู้สึกไม่สงบถ้าเราต้องตัดการทำงานออกไปจะหาความสงบเท่านั้นใช่หรือไม่วิธีหาความสงบทำยังไงคะก็ต้องอยู่คนเดียวเปิกวิเวกแล้วก็คอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอย่าให้คิดปรุงแต่งใช้พุโทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วแล้ว เวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็ให้นั่งหลับตานั่งสมาธิทําใจให้สงบคําถามจากคุณสุภาตาัตรากายและจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์กับพระอาจารย์อธิบายอนัตตาคําว่ากายและจิตเป็นอนัตตาถูกไหมครับไม่ค่อยเข้าใจคําว่าอนัตตาคืออนัตตาก็คือการไม่มีตัวตนเช่นร่างกายนี้มันไม่มีตัวตน ร่างกายนี้เหมือนกับกล้องกล้องถ่ายรูปเหมือนกับมือถือเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันสามารถทําหน้าที่ต่างๆได้เช่นถ่ายรูปอัดเสียงได้ร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนแต่มันก็ทําหน้าที่ดูรูปฟังเสียงได้รับภาพรับเสียงเข้าไปแล้วก็ส่งไปให้ใจผู้รับรู้อีกทีนึงแต่ตัวตนนี้มันเกิดจาก ความหลงของใจเองใจไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมามันก็ความคำว่าคำว่าตัวตนนี้ก็เป็นความคิดเท่านั้นเองว่าเวลาใจสงบใจไม่มีความคิดความรู้สึกว่ามีตัวตว น, นก็หายไปเหลือแต่ตัวจริงของจริงก็คือตัวรู้เท่านั้นเองใจก็คือตัวรู้ร่างกายก็คือดินน้ำลมใส เห็นน้ำลมไฟก็ไม่ใช่ตัวตนตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงแต่เราเอาความคิดมาคิดว่าเป็นเราไปหมดร่างกายก็เป็นเราใจก็เป็นเราทำอะไรตามใจเราเห็นอันนี้ก็มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะพอมีเราแล้วก็มีความอยากให้มันเป็นไปตามความ อะไรเป็นของเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยากจะมีความสุขอยู่เรื่อยๆกับลูปเสียงกลิ่นรสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอมันไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าไม่มีตัวเรามีแต่ตัวรู้ใค่รู้เฉยๆรู้ว่ามีร่างกายรู้ว่าร่างกายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเจ็บมันจะแ ก, ะก่ก็รู้ว่ามันแก่มันจะเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บ มันจะตายก็รู้มันตายเร า, เาไปห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันแต่พอคิดว่าเป็นตัวเรานี้โอ้ยเราวุ่นวายไปกับมันคอยดูแลรักษามันคอยอะไรต่างๆนานาร่างกายคนอื่นแล้วเมินไปยุ่กับเขาเลยแต่เพราะร่างกายที่เราหลงคิดว่าเป็นของเรานี้โอ้ยวุ่นวาย ก, วา ก, กับมันตลอดเวลาทุกข์กับมันตลอดเวลานี่แหละความหลงที่คิดว่า มีตัวตอนนี้มันทาให้เรายึดติดพอยึดติดแล้วก็มีความอยากมีความอยากแล้วก็จะมีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็ช่างมันซะมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ช่างมัน mm hmm. ใจก็ไม่ใช่ตัวเราใจก็เป็นแต่ตัวรู้ mm hmm. ก็ปล่อยมันรู้ไปเฉยๆ mm hmm. ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ถ้าปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาทุกอย่างก็จะสงบใจก็จะสงบไม่วุ่นวายใจก็จะมีความสุขพอใจอยังสรุปก็คือคาว่าตัวตนนี้มันมาจากความคิดความหลงา ค, คว า, งธธาว่าไม่มีตัวตนก็คือเป็นความตัดสู้ของพระเจ้าว่าไม่มีตัวไม่มีตัวตนตัวตนนี้เกิดจากความหลงความคิดขึ้นมาเท่านั้น คำถามจากคุณอริยาบุคคลนะคะในวัดวในวัดทศสมสารนี้มีดวงจิตมากมายมาเวียนไหวตายเกิดอยู่นับครั้งไม่ถ้วนไม่รู้กี่คบกี่ชาติและดวงจิตทั้งหมดนี้มาจากไหนครับและจะมีเพิ่มจานวนขึ้นอีกไหมครับเออเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปรู้หรอกรู้ก็ไม่ได้มาทำประโยชน์อะไรให้กับเราขอให้รู้ว่าความทุกข์เราเกิดจากอะไร แลววิธีดับความทุกข์ของเราดับดับได้อย่างไรก็พอเพราะความรู้เหลนะ่านั้นรู้ไปมันก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของเราได้ปัญหาความรู้ที่มาดับความทุกข์ของเราดีกว่าความรู้ที่จะมาดับความทุกข์ของเราก็คือรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะั้นพอแนละรู้แค่นี้พอคําถามจากคุณฟลุกการพูดกระทบแต่เป็นความจริง ที่ต้องการให้ยอมรับผิดศีลใหม่ครับถ้าเป็นความจริงมันก็ไม่ผิดศีลแต่มันมันดีไม่ดีถ้ามันมีเจตนาที่จะไปทำให้เขาเดือดร้อนเสียใจก็ไม่ดีขาดความเมตตามีความพยาบาทคำถามจากคุณอภิวัฒน์ถ้าเราภาวนาพุโทโธตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลานอน หรือว่าเราเลือกดูกายทำงานแบบไหนจะพัฒนาสติได้มากกว่ากันครับก็อยู่ที่เวลาเรานั่งสมาธิือว่ามันนั่งสงบได้หรือไม่สงบถ้าแบบไหนทำให้ใจสงบก็แบบนั้นดีสำหรับเราแต่ความจริงทั้ง2แบบมันก็ดีทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะเราจะทำได้หรือไม่ได้ทางนี้มีจะรีบไปหรือเปล่ายังจะฟังต่อเลยถ้าจะไปก็บอกนะเดี๋ยวจะได้ เพือยากจะถวายอะไรเราจะไปถ้ายังไม่ไปก็ฟังฟังคําถามต่อไปอจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะคะใช้บริกรรมท่องอาการา32ไปกับก็ทําให้มีสติเพิ่มขึ้นพอบริกรรมไปสักพักก็เปลี่ยนเป็นบริกรรมพุทโธทําไปเรื่อยๆก็ทําให้สงบดีขึ้นพุทโธไปเรื่อยๆแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ ได้อย่างไหนก็ได้ถ้าใจสงบก็ใช้ได้ต่อไปจากคุณภาวนานะคะในกรณีที่บริษัทมีพนักงานที่เกียดเอาเปรียบผู้ร่วมงานจึงต้องมีกฎที่ต้องลงโทษและไล่ออกการกระทำเช่นนี้จะขัดต่อหลักเมตตาธรรมหรือไม่ไม่หรอกก็เพราะามันเป็นกฎเป็นระเบียบของสังคมแม้แต่พระสงฆ์ อ, องค์เจ้าถ้ามาทาผิดกฎระเบียบก็ถูกจับศึกได้ อันนี้ไม่ได้เป็นเป็นความเสียหายตรงไห น, นมันเป็นเรื่องของการรักษาสถาบันให้ให้อยู่ได้ไม่ให้เสียหายถ้าปล่อยให้คนเกียรติค้านคนไม่ดีเข้ามาอยู่ก็จะมาทําลายสถาบันได้อย่างศาสนาพุทธเราปล่อยให้คนมาบวชแล้วมาทําเล่เทะอย่างนี้ความเสื่อมศรัทธาของคนในศาสนาก็จะเกิดขึ้น แล้วต่อไปก็จะไม่มีใครเข้าหาศาสนาศาสนาก็จะไม่มีคุณค่าราคาเหมือนกับสถ า, าบันการศึกษาเช่นจุลาธรรมศาสตร์ถ้าไม่มีการเอ็นท่านใครสมัครก่อนรับก่อนนี่เป็นยังไงเดี๋ยวก็เละเท่านั้นเละใช่ไหมเรียนก็เรียนไม่จบกันแล้วต่อไปชื่อเสียงของจุลาธรรมศาสตร์จะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ทั้งเรียนเรียนไม่ดีเรียนไม่ได้เกณฑ์ก็ต้องเอาออก อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของของสังคมของสถาบันสถาบันสังคมเขามีมาตรฐานผู้ที่จะเข้าไปอยู่ในสถาบันในสังคมนั้นจะต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้เช่นสังคมของมนุษย์ก็คือต้องมีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าเขาก็จับแยกออกไปไ ป, ไปอยู่ในในคุกในตารางใช่คนที่ ถ้าผู้อื่นนี่เขาก็ไม่ปล่อยให้อยู่ในสังคมของมนุษย์เขาก็จับไปค้งไว้ในค้อกก็เหมือน ก, นกับสังคมของเดรัจฉานเราไม่ปล่อยให้เสือสิงกระเทงแากออกมาเดินเพ่นพ่านในเมืองในบ้านกันใช่ไหมว่าปล่อยมันออกมาเดี๋ยวมันกัดคนตายคนก็เหมือนกันคนแม้จะมีร่างกายเป็นคนแต่ใจมันอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้าไปฆ่าผู้อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉาน เขาก็จะไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเขาก็ต้องจับไปขังไว้ในคุกในกรงหรือถ้ามันร้ายกาจมากก็ถึงกับต้องประหารชีวิตเลยก็มี น, น, นี่คือคำตอบคำถามต่อไปจากคุณอุมาพรค่ะจิตผู้รู้กับใจเจ้าของรวมกันแล้วยังมีฐานของจิตใจในกายที่ควรอยู่อีกไหมคะอ๋ออันนี้ไม่รู้จะตอบยังไง ้วให้รู้ว่าจิตเป็นผู้รู้ก็พอจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วผู้ที่มาทำให้จิตทุกข์ก็คือตัณหาความอยากให้รู้แค่นี้แล้วก็พยายามกาจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็พอคำถามจากคุณโสรัสสันธิติโกกับปัจจัจจตางเวทิตาโพต่างกันอย่างไงขอรับไปเปิดหนังสือดูเลยเดี๋ยวก็มัน g o ก g l ก้าก็ได้ คำถามจากคุณปรเมศสภาวะธรรมที่จิตสงบมีลักษณะอย่างไรครับก็ต้องทําจิตให้สงบอย่างเรรู้สิตปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคนไม่เคยกินทุเรียนบอกคออย่างนั้นกินอย่างนั้นคนอีกคนก็บอกอเหม็นเราไปเชื่อใครดิวเราต้องเชื่อตัวเราเองเราต้องไ ป, ไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองดีกว่าพูดไปก็ท่านั้นแหละ สู้ไปภาวนาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจิตสงบก็จะรู้เองไม่ต้องมาเสียเวลามาถามว่าจิตสงบเป็นยังไงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคําถามจากคุณปารันยูเวลาผมนั่งสมาธิเสร็จแล้วพอจะนอนมักจะชอบมีอาการเหมือนจิตพุ่งออกไปนอกตัวไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แบบจะทํายังไงครับ ผมให้มันหายไปไม่เกิดขึ้นอีกเพราะเวลาที่จิตกลับมาแล้วจะตาสว่างเลยนอนไม่หลับก็ใช้พุทโธไปหรือใช้สติดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ให้มันรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ถ้ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไป หรือให้พุโทโธไปหรือให้ดูลมหายใจไปก็ไ ด, ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่าไปอยากเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันหายคําถามจากคุณแพลวตอนนั่งสมาธิดูกิเลสดูนั่งความดูความรู้สึกและดูจนความรู้สึกนั้นจบแบบนั้นถูกต้องไหมคะไม่ถูกหล้วการนั่งสมาธิให้เราอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออก เพราะความรู้สึกนี้มันไม่แน่นอนมันจะจบมันจะหยุดจะหายหรือไม่มันไม่ไม่แน่แต่ถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนี้ทุก ม, มันจะสงบได้วิธีอื่นมันจะไม่สงบดูความรู้สึกแล้วมันจะไม่สงบคาถามจากคุณจารัญญาขณะนั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นวันพระรู้สึกปวดชาขาที่นั่งทับฝืนโดยใช้ความอดทน เพราะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างมีจุดจบและอาการปวดขาก็หายไปจึงย้อนกลับมาพิจารณาชีวิตของคนเห็นชีวิตมีความไม่เที่ยงมีจุดจบคือความตายจึงลดการยึดมั่นในตัวตนลงและพยายามเข้าใจว่าทุกอย่างไม่มีความเที่ยงถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะจบแล้วคาถามจากคุณชัยชุมพลการทาบุญกับพ่อแม่ได้บุญเท่ากับกัน ทำกับพระอริยสงฆ์พาาระอรหันต์หรือไม่ครับได้เพราะว่าท่านถือว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นเหมือนพาอาระอรหันต์ของพวกเราได้ทำํำบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้ทําบุญเท่ากับพระได้ทําบุญกับพาาระอรหันต์หมดแล้วเหละคําถามจากคุณอันนบ ก, การถือศีลแปดเล่นกีฬาได้หรือไม่ครับ ไม่ควรหรอกเพราะการถือศิลแปดนี่เราต้องการหยุดกิจกรรมทางร่างกายทั้งหมดให้มาอยู่คนเดียวให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบ ก, การเล่นกีฬานี่มันก็ยังส่งใจออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยไม่สํารวมอินทรีย์ไม่ใช่เป็นอนินทรีย์สังวรการถือศีลแปนี่เพื่อสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ นอกจากว่าเล่นกีฬาแบบโยคะแล้วก็ไปเล่นคนเดียวอย่างนี้ก็ก็พอที่จะแต่การเล่นกีฬานี้ควรจะทำเพื่อเป็นการดูแลรักษาร่างกายเช่ร่างกายมันปวดมันเมื่อยก็ต้องออกมายืดเส้นยืดสายได้แต่ถ้าเล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนานนี้อันนี้ก็ผิดหลักของการถือศีลแปดการถือศีลแนี้เราไม่ต้องการหาความสุขทางร่างกาย เราต้องการที่จะมาห้ความสุขทางใจคำถามต่อไปจากคุณอกนะคะใช้การบริกรรมพุทโธคอยจ้องอยู่ที่ลมหายใจพอเวลาเผื่อคิดอะไรก็จะใช้ว่าคิดหนออย่างเช่นเวลาโกรธก็จะโกรธหนอหรือเวลาได้ยินเสียงดังก็จะบริบรกรรมว่าเสียงหนอแล้วมันก็หายไปเองอันนี้ใช่วิธีที่ถูกไหมคะก็ต้องให้ใจสงบถึงจะถูกถ้าใจยังไม่สงบก็ยังไม่ถูก คำถามต่อไปค่ะเราควรทดแทนผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่อย่างไรคะก็มีอะไรก็ให้เขาเสิมีอะไรทำให้เขาได้ก็ทำให้เขาทำให้เขามีความสุขมีขา้าวของเงินทองจะแบ่งให้เขาก็ได้ช่วยเหลือเขาถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาต้องการให้เราทำอะไรที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทำให้เขาไปคำ ถ, ถามจากคุณพันปภา ลูกค้าให้เขียนบินเกินราคาเราบอกว่าขอเขียนตามจริงเขาก็ไม่ยอมเลยบอกให้เขาเขียนเองแบบนี้ผิดศีลไหมคะถึงแม้เขาเขียนเองมันก็ยังเป็นใ น, ใ น, ใ, นในชื่อของร้านเราอยู่มันก็เราก็ยังโกหกอยู่ <c oughs> คำถามจากคุณชายการถือศีลแปดไม่จำเป็นต้องบวชใช่ไหมครับ อ, อ๋อไม่ต้องบวชหรอกถือศีลแปดนี่ก็สำหรับผู้ที่คองเรือนที่อยากจะอยู่แบบนักบวชชั่วคราวเช่นวันพระหรือวันไหนที่มีวันหยุดหลายวันแล้วก็ไปอยู่วัดก็ไปถือศีลแปดซึ่งถือว่าเป็นศีลของนักบวชเพื่อที่จะได้หยุดกิจกรรมทางร่างกายแล้วจะได้มาทำกิจกรรมทางจิตใจแทน หมดแล้วเลยถามวันนี้น้อยนะ เ, ยเดี๋ยวรอสักพักก็ไดเ้เดี๋ยวมาทางนี้ก่อนก็ได้ทางนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีอยากจะถวายทําบุญอะไรก็มาเป็นญาติพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนทา่านครับทํางานร่วมกันหรือปเปล่าเปล่าครับ รับทำบุญร่วมกันเนี่ยครับใช่ครับมาหลายครั้งครับ <socks S 1> ถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะเดี๋ยวขอไปหยิบไปนะครับะขอให้มีความศรัทธาเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะเรามีมือมาอยู่ห้องข้างๆแล้วกือบ ทีนี้เากลังอยากจะให้คนมาจัมือละให้เราไปหาอินโฟเรชันจะให้ใครมาจัี้มือของตัวองจวือนเพิ่บเงินขึ้นมาได้บางเลยม่ทอะไรมือไม่ได้มาสือกนที่เขาเขาคนใดไปไปไปปล่อยแล้วก็อาจจะไม่ปลอดยหก็เลยอยู่เฉยๆก็ได้คอัน เสือไม่มีพิษนะถ้าเราปล่อยวางให้เขาอยู่เฉยๆได้ก็ดีไม่ไปยุ่งเขาได้ก็ดีแต่ถ้าจําเป็นคิดว่าอาจจะเป็นภัยกับเราก็ไปหาที่ปลอดภัยให้าอยู่แทนไปปล่อยที่สวนสัตว์เดินไปปล่อยที่ไหนไม่แน่ใจว่คนที่ลองไปให้เขานำตําแหน่เขาไปไว้ตรงนก็ไปหาที่ไหนที่เป็นที่ป่าที่อะไรก็ไปปล่อยในป่าก็ได้ เขส่งเตปฏิานแล้วก็คขจะใด้คนดีที่เขาจะช่วยนำพาชีวิตไปมันก็อยู่ที่บุญกรรมของเขาแนละ้วเขามีบุญก็เขาคงจะได้เจอคนมีบุญพาไปถ้าก็มีกรรมก็อาจจะเป็นคนเจ้ากรรมในเวรของเขาพาไปทางที่ดีถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวเขาได้ดีที่สุดถ้าเราอยู่กับเขาได้ก็อยู่กันไปไปล่อยเขาอยู่ไปนะ มียังอยากจะฟังต่อบป่าอ่ามีไห ม, มอ่ะว่าฟังมาเออจากคุณราชบุรีค่ะถ้าถือสินห้าอยู่แต่ในคอมพิวเตอร์ยังใช้วินโด้เถื่อนที่แจกกันทั่วไปตามเว็บไซต์ต่า ง, างๆเพื่อเผยแพร่สื่อธรรมะถือว่าผิดศีลข้อขโมยไหมไหมรับผิดเนาก็ผิดศีลนะ่ะก็ไปขโมยทัพย์สินทางปัญญาไม่ให้เลย แต่ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วเรื่องเรื่องอย่างนี้จะก็นั่งแต่ถ้าเราอยากจะบริโภคก็ไปซื้อของที่เอ่อที่เสียเงินดีกว่าถ้าอาจารย์นะการนั่งสมาธิเนี่ยบางท่านที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าไม่นั่งคัตสมาด์นั่งที่เต้าที่ ไ, ได้นั่งในแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบนี้ปฏิบัตินานๆ น, นั่งนานๆ น, านี่นั่งขัดสมาด์นี่มันเป็นท่าที่ สบายที่สุดแต่ถ้าเราไม่เคยมันก็จะรู้สึกลาบากก็นั่งในท่าที่เราสบายไปก่อนก็แล้วกันจนกว่าเราคิดว่าเราต้องการที่จะปฏิบัติแบบแบบเต็มที่เต็มรูปแบบแล้วค่อยมาหาันนั่งขัดสมาธิไปคำถามจากคุณสามารถกระผมยังปิดอยู่ที่เวทนาครับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางด้วยครับพยายามแยกธาดแยกขันแล้ว แล้วจิตมันยังยึดอยู่ไม่ยอมปล่อยวางหรือจะเอาแบบให้มันอดข้าวสักอาทิตย์ดีครับ<ะ> <contexts> ก็การอดข้าวมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือคำบริกรรมพุทโธเนี่ยเวลาเจอเอวทนาเราก็พุทโธพุโทโธไปเมื่อสวสดมนตไปอย่าไปคิดถึงการเจ็บปวดของร่างกายเหมือนเวลาเรานั่งดูภาพยนตร์นี่บางทีปวดฉี่เรายังนั่งดูได้เลย พอเราไม่ไปนสนใจกับอาการปวดว่าใจเรายังติดตามดูภาพยนตร์อยู่ขอให้ใจมีอะไรเกาะไว้ไม่ไปคิดถึงเวทนามันก็จะนั่งมันก็จะอยู่กับมันได้องนั้นเวลาปวดฉีก็ลองเอ้ยเวลาเจ็บขึ้นมาก็ลองพุโทโธพุโทโธไปอยาไปคิดถึงความเจ็บหรือจะสวดมนต์ไปยาวๆก็ได้แล้วความเจ็บมันก็จะไม่มาลบกวนใจแล้วก็จะอยู่กับมันได้ตอนนี้เรายังไม่มีกาลังแยก แต่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิพอที่จะสนับสนุนการแยกด้วยปัญญาก็ลองใช้สติไปก่อนคําถามต่อไปจากคุณแพลวณาภาค่ะตอนนั่งสมาธิดูกิเลสดูนั่งดูความรู้สึกและดูจนความรู้สึกนั้นจบแบบนี้ถูกต้องไหมคะเอ็มพีถามอะไรไม่ให้นั่งดูความรู้สึกเนะี้ย ใ, ให้ดูพุโทโธให้ดูลมหายใจเข้า จิตถึงจะสงบได้คำถามจากคุณพัชราเราควรแผ่เมตตาทุกครั้งหลังทำความดีทำบุญทำทานไหมคะไม่หรอกเราควรจะแผ่เวลาที่เราเจอหน้ากันเวลาพบปากกับใครนี่ควรยิ้มให้เขาไม่ใช่ท่าเบื้องตึงมีอะไรก็แบ่งให้เขากินกันจากอย่างวันนี้เมตตามาเรื่องอาหารเด็ก ไม่ใช่ไปแผ่เมตตาเวลาอยู่คนเดียวมันไม่ได้แผ่ให้ใคร<ม>เวลานั้นเป็นเวลาซ้อ ม, มเวลาเตือนสติ<ม>เตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะ<ม>เวลาแผ่ต้องมีผู้รับใช่ั้ย<ม>เวลาให้ต้องมีผู้รับไม่ใช่อยู่บ้านใส่บาทใส่ใส่เอาเงินจากกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาแล้ววะ <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นผู้ให้แล้วฉันก็เป็นผู้รับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร การการแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นฉั้นต้องมีเวลาพบปะกันเวลาเขาทําให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยได้อย่างเงี้ยเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาเขาทาให้โกรธก็แยกเคี้ยวใส่เขาเออเอาเอามีดเอาอะไรมาทิ่มมาแทงเขาอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตาแล้แผ่ความอาฆาตพยาบาทฉั้นต้องที่ให้ให้หัดแผ่ตอนที่เรานั่งสมาธิทําบุญหรื สวนมนต์นี่ก็เพื่อที่จะสอนใจเตือนใจซ้อมไว้ซ้อมวิธีแผ่เราต้องนึกว่าสมมติว่าถ้าใครเข้ามาด่าเรานี่เรายังบอกไม่เป็นไรถ้าเธอมีความสุขจากการด่าเราก็ด่าไปเถิอย่างนีไ้ได้ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนเราซ้อมไปก่อนคิดไว้ก่อนเลยแล้วต่อไปพอเจอของจริงด้วยรู้ว่าทได้ปเปล่า เ, เวลาเรารเผชิญสิ่งไม่ไมดีให้เราแผ่เมตตาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมายว่า ทีพวกเวลาเจอวิญญาณเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เหมือนการเจอวิญญาณก็เหมือนกับคนที่ไม่กระทากับเราขวเจอกับเราเนอวิญญาณมันเป็นคนเป็นเป็นเป็นจิตที่ไม่มีร่างกายเท่านั้นเองมันก็เหมือนกับจิตที่มีร่างกายร่างกายมันไม่มีตัวมันไม่ใช่เป็นตัวที่รับรู้ตัวที่รับรู้ก็คือใจดวงวิญญาณเหมือนกันนกัถ้าเกิดเป็นดวงดวงวิญญาณจริงๆมาก็คุยกับเขาทักทายเขาเป็นไงสบายดีเหรออ่าอ่า หลัจากที่ไหนจะไปไหนต่อจะให้ช่วยอะไรได้บ้างคนที่ค่าอจะขาดเสื้อผ้าเดี๋ยวจะทำบุญส่งไปให้อะไรก็ได้แต่ต้องคุยกันก่อนไม่ใช่แผ่เมตตาบบเธอไปนะเธออย่ามาอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่เนแผ่เนอไล่ต้อย่าไปไล่เขาต้องยินดีต้อนรับเขาเดือดร้อนอะไรถามเขามีถามสาระทุกข์สุขดิบนี่คือความเมตตา พวกเราไม่เข้าใจผิดกันปัวอะไรนี่จะแผลไม่ตาเขาไม่ตาไม่ได้แผลไม่ได้ไล่เขาเม่ตาเป็นการเชื้อเชิญให้เข้าอยู่อาจารย์แคเวลาเราสวดมนต์ในบ้านเราห้องพระอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าอย่างนี้การจุดทูบเนี่ยอันตรายไม่ต้องจุดหรอกไม่ต้องจุดถ้าเราไม่จุดเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ต้องจุดทูบเท่าไรอันนี้เป็นอามิสบูชาเราที่เราส่เรว่าที่เราสวดมนต์นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชา บูชาที่แท้จริงคือการปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเป็นเหมือนเครื่องประดับเหมือนกับเวลาร้านอาหารเขานาอาหารมาก็จะมีผักชีโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเครื่องประดับส่วนใหญ่คนก็ไม่กินผักชีกันงนั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้อามิสบูชาชก็แล้วแต่กาลเทศะถ้าอยู่ที่ไหนเหมาะสมมีพิธีกรรม ต, ต้องจุดทูบเทียนแล้วก็จุดทูบเทียนไป แต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ควรจุดเราก็อย่าไปจุดเดี๋ยวนี้ที่สาราโบสถนี่เขาไม่ให้จุดกันนะเขาออกไปตั้งไว้ข้างนอกเพราะเวลาจุดข้างในควันมันเต็มไปหมดแล้วก็เป็นควันพิษต่อผู้ที่อยู่ในสาราอยู่ในโบสถ์ทีนี้ทางวัดก็เลยจัดที่จุดทูบเทียนไว้ที่ข้างนอกโบสถ์ถ้าอยากจะจุดทูบเทียนก็จุดข้างนอกโบสถ์แล้วมันก็ไม่ไปทําให้โบสถ์นี่หลังคาเพดานนี่ดำไปหมดสกรปรกไปหมด ลูกๆพยายามจะใจปฏิบัติคุณพ่อแต่ท่านก็ชอบมีโทสะปวดลูกท่าน ไ, ไม่ได้ทําตามกิเลสจังค่ะ<ม>คือไม่ใช่ว่าเอ า, เอาต้องการคือท่านโกรยก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ต อ, อย่าอย่าไปทำในสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นพิษกับเขาก็แล้วกันอัน<ช>นี้ก็บอกให้ไปซื้อสุรามาให้ดื่มนี่ล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรทําเป็นคาคาไปแล้วก็ลืมไปเอขาถามทีไรก็อ้อลืมไปก็อย่าเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าเราไม่ทําให้เขาบางทีก็มีอาการ มองวไม่พอใจว่าคุณแม่รักลูกๆมากกว่าเจ้าค่ะก็เหมือนไส้ลูกๆจะกินแต่อย่าไปว่าพ่อว่าแม่ไม่ดีพ่ออย่าดื้อยังเร า, าจะไป ร, รู้สึกโกรธตอบจะจะมีวิธีทํำยังไงที่เจริญเมตตาใช่ไหมเจ้าค่เะเจริญเมตตาแล้วทําใจให้นิ่งเฉยไปทำเมนู เ, มน เ, มเบคคาก็ได้ว่ามันเป็นกรรมของท่านาเ อ, อเราช่วยแต่ท่านไม่ได้ะะท่านต้องหยุดความอยากของท่านเอง ถ้าท่านหยุดความอยากท่านได้ท่านก็สบายาหยุดกิเลสจะ ส, สอนเด็กลราสอนอังเสราญบ้างอา อ, าอย่าไปสอ น, อ ส, อนสอนไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสอนพ่อสอนแม่เอาว่าไหมาคำถามจากคุณสุดตามาการนั่งสมาธิโดยนั่งบนพื้นจะดีกว่าการนั่งการนั่งใช้เบาะนั่งหรือไม่ ถือจะถือว่าเป็นการติดสุขหรือไม่เจ้าคะแบบไหนดีกว่ากันก็การที่นั่งโดยที่ไม่มีเบาะนะดีเพราะมันเป็นธรรมชาติเราไปไหนเราก็จะได้ไม่ต้องขนเบาะไปด้วยพระทวดงนี่เวลาท่านไปท่านไม่ได้ขนเบาขนอัสนะไปท่านอยู่ที่ไหนท่านก็อย่างมากก็ แ, แค่ปูผ้านั่งนั่นเองผ้ากันเปื้อนท่านก็นั่งบนแค่นั่งบนพื้นบางทีก็ไปนั่งบนโขดหินอะไรอย่างนี้ ก็นั่งได้มันสบายกว่ามันเจ็บก็ไม่ทลายเจ็บทางร่างกายนี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัตินี้จะต้องเจอความเจ็บอยู่แล้วถ้ายัางอยากหนีความเจ็บก็แสดงว่าเราจะไม่มีวันที่จะผ่านทุ ก, กเวทนาไปได้นั้นเราต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวความเจ็บต้องพร้อมที่จะเผชิญความเจ็บแล้วมันจะทําให้เราไม่ไม่ทุกข์กับความเจ็บต่อไปคาถามจากคุณมะปราง นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิเพชรแบบไหนจะเหมาะสมในการปฏิบัติเจ้าคะก็ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่เราจะถนัดเราจะนั่งขัดแบบครึง่คงครึง่งสมาครึ่งครึ่งอะไรขเขาเรียก <c oughs> เพชรนั่เพชรไม่ <c oughs> เพชรก็ได้แล้วแต่อั น, นั <c oughs> น้นอันไหนที่เหมาะกับเราเราก็เอาอย่างนั้นก็นแล้วกันจ้างถือสีแปด หกถึงเจ็ชั่วโมงก่อนนอนจะได้บุญไหมคะการเธอศีนแปให้ถือทั้งวันทั้งคืนถือตอนก่อนนอนมันจะมีประโยชน์อะไรก่อนก่อนหน้านั้นก็กินให้อิ่มก่อนแล้วมาถือ <c oughs> ดูทีวีให้พอก่อนแล้วมาถืง <c oughs> แล้วค่อยนอนงนี้มันต้องเขามายถึงเออหกถึงเจ็ดชั่วโมงก่อนนะ ก็ไม่รู้แหละก็ถ้ามันถือว่ามันไปหยุดกิจกรรมทางทางทางการมารลมได้ก็โอเคไม่ใช่ทํากิจกรรมทางการมารลมเสร็จแล้วค่อยมาถืออย่าดูนั้นก่อนขอดูนั้นก่อนแล้วค่อยมาถือขอกินข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยมาถืออย่างนี้มันก็อย่าไปถือดีกว่าท่านจารจะมีอู่โซริโอบายยังไงที่จะให้มีจิตใจเข้มแข็งเกี่ยเรื่องลูกกฏธรรแตกในข้อของความดีดีร้าย เช่นในกรณีที่เพื่อนมึนทาเราก็รู้วิจริง อ, อันนั้นเราก็ไม่ชอบใจแต่มาอีกทีเนี่ยมีคนที่จะมาชอบเร า, อาชอบเราแต่เราก็ไม่ชอบคนคนนั้นทำไมคิดว่าเออทำไมต้องมาตามชอบเราไอ้การวางใจใที่ให้เป็นกลางในเรื่องทั้นองนี้จะค่ะน้อง ก, ก็ต้องทำสมาธิให้ได้อุบเบกขาถ้ายังไม่ได้ก็พยายามเตือนใจว่าอย่าไปรักไปชังเขา ก็พยายามห้ามใจว่าอย่าไปรัก <researched> ร <doo S 1> ักก็ไม่ดีเวลาพัดพากจากกันก็จะทุกข์ชังก็ไม่ดีเวลาเจอกันก็จะทุกข์เวลาเจอของรักก็อย่าไปรักพยายามทำใจเฉยๆเวลาเจอของชังก็อย่าไปชังพยายามทำใจเฉยๆแต่มันยังไม่เป็นธรรมชาติเลยยังไม่ธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาตินี่มันต้องได้อุเบกขาจากการนั่งสมาธิแล้วมันจะเป็นธรรมชาติมันจะเฉยไปโดยปริยาย ในกรณีคนที่บางคนก็จะค่อนข้างจะไม่สนใจไม่ยินียินร้ายแต่ในบางกรณีมันจะมีความยินดีย yep. ินร้ายมากกว่าก็คนเรานี่มันมี3ามชนิดคนที <k <k <k> ่ถูกถูกใจเรากับคนที่ไม่ถูกใจเราและคนที่เป็นกลางๆความรู้สึกของเราก็จะต่างกันไปคนที่ถูกใจเราเราก็จะรักคนที่ไม่ถูกใจเราเราก็จะช่งคนที่เป็นกลางๆเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับเขา ก็เป็นเรื่องปกติของใจเราที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมเราก็ต้องพ่อค้าตืปป่ไปให้เข้มแข็งให้มีความให้เมตตาได้เสมอกันท่านคปนรใช่ใชถ้ามีอุเบกขาแล้วเราก็จะมีเมตตาได้โดยที่ไม่มีความรักความชังว่ามาคำถามจากคุณอภิวัฒน์นะคะ เราจะเลือกภาวนาแบบไหนดีครับพุทโธหรือดูร่างกายทำงานคือตอนนี้ผมทำสรับกันคือเผอจากพุทโธจะมาดูกายแบบนี้ใช้ได้ไหมครับได้ยังไงที่จะทำใจให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ใช้ได้ใช้แทนกันได้คำถามต่อไปจากคุณกานิกาค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำสิ่งการคองเรือนของสามีภรรยาให้เหมาะกับการปฏิบัติด้วยค่ะก็สิ่้างไง ผู้ที่เป็นผู้คองเรือนี้ต้องพยายามรักษาศีหน้าให้ดีถ้าเป็นสามีภรรยาก็ต้องศีข้อสามนี้ต้องต้องเข้มข้นต้องแน่นอนอคือต้องไม่ประพฤติผิดโ อ, อเวณีรักเดียวใจเดียวแล้วก็จะมีความสุขอยู่ร่วมกันคำถามจากคุณมงคลค่ะตอนนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งเหมือนวูบตกจักที่สูงแต่มีความรู้สึก ด, ดี ครั้หนึ่งก็หายไปแต่ใจมันอยากให้เกิดอีกครับผมควรปฏิบัติอย่างไรก็เวลามันวูบก็แสดงว่าจิตสงบแล้วพอมันถอนออกมาถ้าอยากจะให้มันสงบใหม่ก็ต้องภาวนาใหม่อย่าไปอยากเฉยเฉยเพราะถ้าอยากเฉยเฉยมันจะไม่มีวันสงบแล้วเวลาภาวนาก็อย่าไปอยากให้ภาวนาไปเหมือนครั้งแรกที่มันวูบอย่าไปคิดถึงความ ความสงบที่เคยได้รับแล้วเราอยากประหยัดให้มันเกิดในขณะที่เราภาวนาเนลวลาที่เราภาวนาให้อยู่กับการเจริญสติเพียงอย่างเดียวคำถามเจ้าคุณภาวนาค่ะจิตที่เห็นตายรักนั้นจะมีลักษณะอย่างไรก็ปล่อยวางนจะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่เป็นตายรักถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์เราจะไปเราจะไปยึดติดทาไมถ้าเห็นว่าแฟนเราเป็นทุกข์เราก็จะไปอยู่กับแฟนทาไม แต่เรายังไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เราเห็นว่าเขาเป็นสุขเราก็เลยยังอยู่ติดกับเขาอยู่คำถามจากคุณวรพัฒค่ะสายศีลจำเป็นต้องใช้หรือไม่ครับเห็นใช้กันทุกวัดครับอันนั้นเป็นเรื่องพิธีกรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี่เราไม่ต้องใช้สายศีลแต่เรื่องพิธีกรรมนี่เขาก็อาจจะมีต้นเหตุมาจากไหนก็ไม่รู้และ ซึ่งสายศิล น, นี่คิดว่ามันไม่มาจากพุทธศาสนาหรอมาจากพราหมณ์ซะมากกว่าศ า, าสนาพราหมณ์นี่ก็มีอทีพค์กับพิธีกรรมของทางศาสนาพุทธแต่ถ้าเราอยู่ในในในเหตุการณ์เขาใช้เราก็ใช้ตามเขาไปมันก็เป็นแค่มันก็เป็นแค่ได้สายมันไม่มีอะไรวิเศษวิโสหรอกมันเพียงแต่จะเหมือนกับว่ากาหนดให้เรารู้ว่ากำลังเชื่อมโยงกัน เรากับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีเอาเอาสายสินผูกกับพระพุทธรูปแล้วก็ส่งไม้พระถือว่าพระกับพระพุทธเจ้าเชื่อมโยงถึงกันแล้วมันไม่ถึงหรอกการจะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันจะต้องถึงด้วยปัญญาถึงด้วยการภาวนามีดวงตาเห็นธรรมเมื่อไหร่ก็จะถึงเมื่อนั้นในกรณีที่เราเราอ่านั่งสมาธิถ้าจิตได้รับความสงบแล้วพอต้องมา เราก็พยายามจะพิจารณาอาจจะพิจารณาแยกร่างกายหรือพิจารณาเห็นความไม่สวยงามหรือภายในแต่ในกรณีที่อยู่กับผู้คนธรรมด า, าไปธุระต่างๆเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะอมองเห็นให้ผ่านความผิวพันธุ์ภายนอกให้เห็นภายในมันเป็นการให้ใหเป็นการเซาะร่องทําให้บ่อยๆเขาจะเป็นประโยชน์ไม่มครับได้นะจะดูสุภาพเขาก็ได้จะดูความตายของคนเหล่านั้นก็ได้ ไม่ช้าก็เร็วด้วยการบางทีไม่มีอะไรทำก็ไปเจรณาความตายของเขาของเราด้วยอย่าไปอย่าเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดูทั้งของเขาดูทั้งของเราเราจะได้มีความยุติธรรมถ้าเราคิดพิจารณาความตายของเราเพียงฝ่ายเดียวเราอาจจะคิดว่าเราตายคนเดียวคนอื่นไม่ตายถ้าเราไปคิดถึงความตายเขาคนอื่นเราอาจจะคิดว่าเขาตายแต่เราไม่ตายแต่เราต้องคิดว่าทั้งเขาทั้งเรานี่เดี๋ยวก็ตายละตายกันไปหมด ดูว่าจะเป็สุภาพหได้ฟังตายก็ได้ทันได้ใช่ไหมบางทีเราเห็นภาพของเราในวัยเด็กหน้าตาหน้ารักเป็นเด็กอ่อนเขาไล่ขึ้นมาอดี๋ยแก่ลงขาวขึ้นเรื่อยนะคะมันก็ได้ดูให้มันครบกระบวนการของร่างกายว่ามันมันไม่เทียมแก่เจ็บตายในที่สุดเพื่อให้เราปล่อยวางไม่ให้ไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะความอยากให้มันไม่เป็น ไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทําให้เราทุกข์ไปโดยใช่เหตุอาจารย์ถ้าเราอยู่ในเหการณ์ที่มีคนใกล้ชิดกัำลังจากไปคนที่จะพูดต้งนาสิตเขานี่ยังงี้ก็อยู่ที่เขาว่ายินดีจะฟังเราหรือเปล่าช่วงนั้นส่วนาคนจะจิตสงบเลถ้าเขาเขาไม่ต้องการจะฟังเราก็อย่าไปรบกวนเขานี่ก็ปล่อยให้เขาทําทําความสงบของเข้าไปเรื่อยๆ วิธีเวลาสอบมันหมดเวลาแล้วเวลา น, นั้นเป็นเวลาทําข้อสอบแล้วเหมือนเราเวลาเข้าห้องสอบนี่เราไม่สามารถที่จะเอาครูเนี่ยนะครูเข้าไปในห้องสอบได้ละก็สอบตกก็นั่นเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเหมือนกับเด็กอย่างนี้คุณไปนำเขาสอบได้ไหมเวลาเด็กเข้าห้องสอบแต่ก็ไม่ทําการบ้านไม่อ่านหนังสือเวลาสอบบอกคนเดียวขอเอาเอา เอาหน <isa> ังส right, ือก็ไปเปิดดูได้ไม่ได้หรอกแต่เวลาสอบนี่มันต้องพร้อมแล้วแหละถ้าทําได้ก็ผ่านไม่ทุกถ้าทําไม่ได้ก็ทุกก็แนทตอนที่ยังไม่ตอนนี้ก็แนทได้ทำไมไม่แนทล่ะจะต้องไปรอแนะตอนที่มันแนทไม่ได้ทําไมขนาดนักชกมวยเขายังต้องแนทตอนที่เวลาก็พักยกกันเลยใช่ไหมเวลาขึ้นไปอยู่กลางเวทีก็ได้ตะตะโกนซ้ายซ้าย จะมาแน่ก็ตอนที่เข้ามาพักกินน้ํำดื่มน้ำหนึ่งนาทีเฮ้ยเอาอี่นิ้เสื้อเอายี่นิ้เสิ้อเออถ้าแนะนําได้ก็แนะนไปถ้าก็ยังฟังได้่เลยถ้าเวลาก็ช่วยไม่ได้ก็เร็วประมาทไงพระเจ้าถึงบอกให้เราจําลองความคิดว่าเราจะตายได้ทุกเวลาเราจะได้เตรียมตัวไว้ก่อน ก็เขาไม่ทาก็ช่วยไม่ได้เขาไม่เชื่อจะไปบังคับก็ได้ยังไงมันอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อว่าการปฏิบัตินี้จะช่วยเขาได้เขาก็ไม่สนใจพูดไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันบป่าๆไปให้เขาํำคาญบป่าๆตอนนี้มีเป็นช่วงเวลาที่สบายเลยมาภาวนาเจ้าค่ะ แล้วก็คิดว่าไม่ผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ไม่ได้มีใครเจ็บหนักก็ถือเป็นช่วงที่เดี๋มีโอกาสมาเถิดมาทแม่คุณคุณแม่บอกไปเพ่อสีวันแล้วก็ดักคอบอกเรียดต่ออีกเหรอเราแอบในใจคิดว่าจะก่อใช่ไหมคะก็ดูไปก็บอกนะก็ไม่แน่นอนให้แม่ได้บุญด้วยถ้าหลังเก่าแม่มานอนด้วยก็ได้ถ้าแม่อยากจะมาด้วยก็มาแต่เดี๋ยอยู่ด้วยกันสองคนก็ลบกวนกันเอง ดีแล้วละแยกกันบ้างแยกกันรอดๆ อ, อยู่กันรอดตาย <c oughs> <c oughs> อาจจริงๆต้องแยกกันมันถึงจะรอดถึงจะหลุดพ้นได้พราะพพุทธเจ้าถ้าอยู่ในวังก็ไม่มีวันที่จะตัดสริรูเป็นพระพุทธเจ้าได้อ <c oughs> าจารย์จึงจาเป็นจะต้องแยกแยกเราสัตตัดสริรแล้วค่อยกลับไปสอนสอนแล้วก็ช่วยคนอื่นตัดมรุษย์ทําตามได้ห <c oughs> ลุดพ้นได้ อย่าตอนนี้เรามาช่วยตัวเราเองก่อนหรจะเป็นไลฟ์การ์ด น, นะจ๊ะคนนึ่งต้ไปเรียนวิช า, าไว้น่าจะเก่งสักก่อนเดี๋ยวเรากลับไปก็ไปสอนก็ได้ <c oughs> หมดเวลาแล้วมั้งใช่ไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่ม่ไม่มีก็คิดว่าขอขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป อกี่ร้อยสามร้อยสิบหกค่ะสมร้อยสิบแต่ก็อยากจะรายงานว่าฟังจากที่ไหนก็ยังส่งมาได้นะอยู่ต่างประเทศที่ไหนบ้างจัญญาณเป็นยังไงเผื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงส่วนใหญ่ดีขึ้นแล้วจค่ะดีกันเลยนะจะเปิด notification ไว้นะคะเขาจะบอกมาเลรื่องหนะตัววันฟัง ท่านแทบทุกวันจะตลอดเวลาทำงานก็จะต่างมัดีดีใจดีใจที่มีคนติดตามนะตามตลอดเลยค่ะดีสาธุสาธุอ่าตอนเกี่ว่ายุติการถ่ายทอดได้แล้วยังจะถ่ายนิดหน่อยก่อนก็ได้ตามใจถ่ายดูญาติโยมกลับบ้านก่อนก็ได้ตัดเลยค่ะ